أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ا بال ل ع ل ي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بد الرضا وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل ه إلا الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا أبده ورسوله أرسله الله بالهدى والين الحق ليسنهه أ ر ت ي ِ كله ولو قلها الكافرون أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد ل ر أ ت على في كتاب الكريم في سورة الفجر بعد عود بالله مشيطان ر ز ي م بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولا يال العش و ا ل ش ف والوض والليل إذا يسهل في ذل ك ق س ا م لذيه خبر نعم تي رقين خ ب ما بقول كوي كان تونا في ش ่ว ونه ا ث ا ب ا القرآن نحاب سنجري في شوقه سورة อัลฟรดวันนี้ครับอยากจะมาเชิญชวนชวนพี่น้องพูดคุยนะครับเป็นการตักเตือนนะซีฮะตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่รับทุกท่านสําหรับผู้ที่อาจจะหลงไหลหลงลืมผู้ที่อาจจะพลาดพัง้งผู้ที่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าพี่น้องท่านใดก็ตามที่ว่าพยายามจะทําการศึกษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยพวกเราต้องเป็นคนที่ว่าอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าบางที ชีวิตมันก็มีอุปสรรคของมันถูกไหมครับบางทีเราก็ตกหุ่นพางใช่ตอนบางทีขอ้อกีเกียดบางทีก็มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราคุยถึงซูร์อัลฟัชที่โบลัสุบฮานุตาได้สงสาบานเอาไว้ว่าขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณก็เลยมีประเด็นในเรื่องรุ่งอรุณที่ว่าจะมานะสิฮะตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านดังนี้ครับผมอย่างที่เราทราบครับพี่น้องครับเมื่อพูดถึงคําว่ารุ่งอรุณหรือว่าวันฟัชเนี่ยมุสลิมเราจะคิดถึงอะไรหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นจะมีอยะกุรนัน ที่น่าจะโผล่มาในหัวของพี่น้องหลา ย, ลายๆท่านก็คือหัวคุรานอันฟัชอินอัคุรานอันฟัชการธรรมชาติถูกไหมครับที่บ่าที่โพลสุบานอัตตาได้กล่าวไว้ว่าแล้วก็คืออัลกุรอานในยามรุ่งอรุณซึ่งแน่นอนการอธิบายนะ่ยมีความหมายมากมายที่เกี่ยวข้องกับกุรานอันฟัชอาจจะเป็นการอ่านอัลกุรอานอาจจะเป็นการละหมาดก่อนที่จะเข้าเวลาฟัชก็เป็นไปได้หรือ อาจจะหมายถึงการละหมาดฟัชเชรีร่ด้วยเช่นเดียวกันละหมาดฟัชอย่างที่พวกเราทราบกันดีครับพี่น้องสําหรับมุสลิมทุกคนที่เป็นบ่าวที่รักโพกลลอสซุบฮานาะหูอตาอะไรแทบจะทุกละหมาดเนี่ยเราพยายามจะละหมาดให้ดีที่สุดใช่ไหมครับอย่างผู้ชายเราถ้าไปชมาอาได้เราก็อยากจะไปชมาอาเราก็จะพยายามไปให้ได้ถ้าไปไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องละหมาดในเวลานั่นคือถือว่าขั้นต่ําสุดแล้วขั้นต่ําที่สุดละ สำหรับการเป็นมุสลิมก็คือการที่เราต้องสามารถรักษาละหมาดครบทั้ง5เวลาในเวลาของมันถ้าสังเกตดูครับเวลาไหนที่มุสลิมเราจะมีปัญหามากที่สุดถ้าเวลาที่เราจะมีปัญหามากที่สุดแน่นอนนะครับทั้งกับมุสลิมกับทั้งมูนาฟิกเลยหนึ่งในเวลานั้นก็ต้องเป็นเวลาละหมาดอัลฟาสถูกไหมครับผมละหมาดฟัสซึ่งละหมาดฟัสเนี่ยนักชาตการบางคนก็บอกว่านี่แหละคือซาลาติลุสตอละหมาดที่อยู่ตรงกลาง อยู่ระหว่างละหมาดกลางวันคือุูดีอัสลีกับละหมาดกลางคืนมะเกติอชาละหมาดฟัชซี่ครับบางทีเราก็ตั้งไหฬกาปุกอ่ะบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์ฉันตั้งนาฬกาปุกแล้วแต่ฉันไม่ได้ตื่นเลยหรือฉันตื่นมามันก็หมดเวลาไปแล้วหรือว่าอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับเรามาชวนคุยกันเรื่องละหมาดฟรัชในวันนี้ครับเพื่อที่แบบว่าเราจะได้เตือนสติตัวเองว่าความประเสริฐผ ล, ลบุญเนี่ยมหาศาลเลยนะ ยังไงก็ต้องพยายามเอาให้ได้คือแน่นอนครับถ้าเกิดใครลื้ใครหลับไปจริงๆเนี่ยนบีบอกมันหน้าม่าอันเซลาตินเอานะซิอาฟูยุซาลิยาอิดาซักกรอใครก็ตามที่หลับแล้วเลยเวลาละหมาดหรือว่าลืมเป็นไปได้ลืมละหมาดเป็นไปได้เขาจงรีบละหมาดเมื่อเขาคิดได้ก็แปลว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านก็บอกนะครับว่าถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะ คือบางทัานแบบเพียรจริงๆทํางานแบบเข้าเวรเข้ากะหรือว่าไม่สบายหรือว่าบางทีแบบมันหลับจริงๆคืออยากจะละหมาดแต่มันหลับจริงๆแล้วรู้สึกตัวทีเลยละหมาดท่านระบีบอกอลัลลอฮฺไม่เอาผิดเข า, าอัลลอฮฺสุบฮานะตะลาไม่เอาผิดเขาให้เขารีบละหมาดเลยแต่ถ้ารู้ตัวปุ๊บยังเอ่อระเหยนั่นแหละจะึงเราผิดแล้วแต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ครับละหมาดฟัชรี่หรือเป็นละหมาดที่มุสลิมนั้นต้องตื่นให้ได้ ความประเสริฐมีมากมายครับเราอย่าไปมองว่าโอ้ไม่เป็นไรถ้าจําเป็นเอาล้อไม่เอาผิดอย่าไปมองอย่างนั้นพี่น้องเพราะเราอาจจะมักง่ายก็ได้เพราะเราอาจจะผิดแล้วก็ได้แล้วที่สําคัญครับเราจะพาดความประเสริฐจํานวนมหาศาลพี่น้องที่แล้ครับหลายคนเนี่ยหลายท่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าคนที่เคร่งเค่งเนี่ยต้องได้ลุกมาละหมาดตารัตหยุดถูกไหมครับเราจะรู้สึกว่าให้ความสมบูรณ์กับการละหมาดตาร์ตหยุดเหมือนละมอดอนก็เป็นละหมาดตารวิยะ หลาหลา ย, ลายท่านอาจจะให้ความสําคัญกับละหมาดตารอเวียมากกว่าการละหมาดฟรัชชี่ในเวลาเสอีกคือบางคนลุกมาละหมาดตอนกลางคืนแบบมาทุ่มเทมาอะไรทำอะไรเต็มที่ผลสุดท้ายเพียหลับตื่นมาอีกทีหมดเวลาฟรัชชี่ไปแล้วพี่นักธิรักท่านอับดุมฮัมมัดสุลต่านของอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในบันทึกของอิมานมุสลิมจากท่านอุสมานบินอฟัฟฟานะวันนี้เป็นฮะดิษจากท่านอุสมานบินอฟัฟฟานซึ่งที่เรารู้ก็คือฮะดีษจากท่านอุสมานมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ เพราะเสด็ e นท่านจะปล่อยให้ซอบาทท่านอื่นที่เชี่ยวชาญกว่าเป็นผู้รายงานฮะดิ스ชารุสมานบิอัฟฟานราลลัลฮุอันหูเขาบอกว่าไงครับสเมีตูรอสูลลลอฮ์สลอมยากูลฉันเนี่ยได้ยินท่านนบีมูฮัมมัดสลอฮุยสลมได้บอกไว้นะว่าใครก็ตามที่ได้ละหมาดอิชากับชามะะละหมาดอิชากับกลุ่มละหมาอิชาเป็นกลุ่มนะเขาได้ผลบุญเหมือนกับเขาละหมาดครึ่งคืนผลบุญ เทียบเท่าละหมาดครึ่งคืนพี่น้องต่อให้เราลุกมาตะฮัดยุทธแทบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะละหมาดครึ่งคืนพี่น้องเห็นด้วยไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสให้ความสําคัญมากๆโดยเฉพาะกับมุสลิมีนคือการละหมาดอิชาเป็นจะมาอะต้องให้ความสําคัญมากกว่าละหมาตตะฮัดยุทธด้วยซ้ำเพราะทรลมี บ, บอกความประเสริฐปรระเสิฐกว่าฟาดดูประเสริฐกว่าสุนนะพี่น้องถึงสุนนะพี่น้องอาจชารอด คือพี่น้องพลาดความดีงามเนี่ยแต่ว่าอาจจะรอดอยู่แต่ถ้าทิ้งฟัตดวัวพี่น้องไม่รอดเน่ยพี่น้องท่านนบีบอกยิ่งความประเสริฐเนี่ยถ้าเราชั่งน้ําหนักผิดะนะนบีบอกเลยว่าถ้าคุณได้ละหมาดอิชาเป็นจามาอาเนี่ยผลละบุญดียิ่งกว่าหรือผลละบุญดีเทียบเท่าการละหมาตครึ่งคืนเลยพี่น้องบอกคนบอกอาจารย์เราพูดถึงละหมาดฟัตไม่ใช่เหรอชั้นเม้นมาพูดถึงละหมาดอิชาอามาดูต่อ ว่ามันสั่งละซุบฮาในชมาอาตินฟะกันนะมา قام الليلة كل له แล้วใครก็ตามที่เขาลุกมาละหมาดซุบละหมาฟัชเชรี่นะครับตอนเช้าเนี่ยเป็นชมาอาเป็นกลุ่มมันเทียบเท่าเขาละมาดทั้งคืนครับพี่น้องอีชาเป็นกลุ่มผลบุญเยอะแล้วนะเหมือนกับละหมาครึ่งคืนเลยนะแต่ถ้าพี่น้องลุกมาละมาดฟัชเชรี่แล้วพี่น้องมีครอบครัวมีมีคนในสมาชิก พี่น้องมีคู่ครองพี่น้องมีลูกพี่น้องมีพ่อพี่น้องมีแม่พี่น้องมีพี่น้องมีใครก็ตามที่อยู่ด้วยอ่ะพอเราลุกมาละหมาดปุ๊บอ่ะเราไม่ได้ไปละหมาดมัสยิดเราไปไม่ได้เดือดกับอุปสรรคที่เพือ่อละยอมรับเพือ่อลผันผันอย่างน้อยละหมาดต้องเป็นชะมาะพี่น้องอย่างมุสลิมะบางทีนะ่ยไปอย่างที่เรารู้ไปมัสยิดไม่ใช่วายิบสําลับมุสลิมะ มุสลิม่าถ้าเกิดว่าที่บ้านของนางเนี่ยมีคนอื่นๆอยู่ด้วยอาจจะเป็นเด็กเป็นใครก็ตามเป็นมุสลิม่าเหมือนกันถ้าเราอยากลุกมาละหมาดตะฮัดยุตแล้วเราลุกไม่ไหวพี่น้องขอแค่พี่น้องลุกมาละหมาดเฟชเชอรี่แล้วเรียกคนอื่นมาละหมาตด้วยกันเนี่ยให้มันได้ชมาอาเนี่ยเพาราะแอดิสไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นชมาอาที่มัสยิดเท่านั้นท่านมีใช้คำว่าละหมาดชมาอา เพราะสำหรับบางคนที่ไปมสัสยิดไม่ได้มีเหตุผลที่อัลลอฮ์รับได้ขอแค่ละหมาดชฉมาอะอัลฟัจะดีพี่น้องได้ผลบุญเท่ากับละหมาด ก, กิยามุเลิณทั้งคืนพี่น้องคิดดูใครทําได้พี่น้องหนึ่งในสามคืนนี้ก็เก่งสุ ด, สดแลยนะใครลุกมาทัดยุได้มาชาวละแค่ลุกก็ยากแล้วลุกมาละหมาดสองรากาักะอัลฮัมดุดลิละแล้วลุกมาละหมาดได้สักหนึ่งในสามของคืนอัลฮัมดุดลิละครึ่งคืนนี่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วทั้งคืนพี่น้องใครทําได้ม้างไนะ ท่านนบีบอกอยากได้ผลบุญแบบนั้นนะขอแค่คุณลุกมาละหมาดเฟอร์รในเวลาแล้วก็ปลุกใครมาละหมาดกับคุณด้วยเป็นชะะ่ไมอะคุณได้ผลบุญเหมือนคุณละหมาดทั้งคืน <c oughs> เหมือนคนละหมาดทั้งคืนพี่น้องครับในบันทึกขอยหมาลมิกครับจากท่านอุมัดบินคอตท็อปอันนี้เป็นคำพูดของท่านอุมัร อันนี้เป็นคพูดของท่านอุมัตรอยล์อันหูก็คือไม่ใช่ฮะดีสนะครับเป็นคำพูดของท่านอุมัตท่านอุมัตบอกว่าอะไรครับท่านอุมัครั้งหนึ่งเนี่ยท่านละหมาดพอละหมาดเสร็จปุ๊บอิหมัมมักจะต้องหันมาดูม้ามุมแล้วมาตรวจสอบว่าใครบ้างมาละบาดใครบ้างไม่ได้มาละบาทพอท่านอุมัตละหมาดเสร็จหันมาดูมมุมปุ๊บอ้วเจอว่าคนที่มาละมาดต้องมีคนมาละมาดคนนึงที่มาเป็นประจำท่านสุเลย์มานบินอบียฮัสมาเนี่ยไม่ได้มาละาทด้วยไม่ได้มาชำระสุบ ท่านอุมัตก็ถามครับก็ถามถามหาว่าเกิดอะไรขึ้นไปถามภรรยาของท่านสุไลมานสุภาณวะข อ, อขอมัฟครับชีฟะอุมุสุไลมานอ่ะเป็นแม่แม่ของท่านสุไลมานนะครับผมท่านอุมัตที่ ด, ดูนี่อิหมามนี่คืออามานะของอิหมามะพี่น้องถ้าคนในชุมชนของเราไม่ได้ละหมาดอิหมามต้องรับผิดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งอิหมามถ้าเป็นไปได้ไม่รับได้ดีที่สุดอต่พี่น้องเรื่องใหญ่ แต่เนี่ยท่นอุมัรพอหันมาปุ๊บอาจไม่เจอสุไล مان พอไม่เจอสุไลมานปุ๊บก็ไปหาแม่ของสุไลมานไปถามนางชีฟ้าว่าเนี่ยเนี่ยทำไมฉันไม่เห็นสุไลมานมาละหมาดเลยอนะตอนตอนเช้าท่านงชีฟ้าว่าไงครับอินหูบะจะอยซาลีฟะกะลาบะทูไอหน้าหูคือเมื่อคือนเะน่เขาละหมาดเยอะไปหน่อยจนกระทั่งว่าเขาหลับเพียแล้วก็ตื่นมาไม่ทันซุบฮานัลลอฮ ไม่ใช่เหตุผลขี้เกียจไม่ใช่เหตุผลดูหนังติดบอลไม่ใช่เหตุผลไลร้สลระอะไรเลยแต่ละหมาดตาร์ยุตมาแล้วละมาดตาร์ยุตจนเหนื่อยแล้วก็เลยเผลอหลับไปแล้วก็เลยไม่ได้ลุกมาละมาดฟอรีถามว่าพอเราจเจ้าผิดไหมไม่ผิดจากคดอที่ท่านอับดอลมัสลลอยส์รำบอกแต่ท่านอุมัตบอกว่าไงครับลีอันอัชฮะดาซาเละตะสุบฟจะมาอัตินอาฮับวิเลยมินอันอคุมาไลละตัน ท่านอุมัดได้บอกครับว่าการที่ฉันได้มาทันละหมาดซุปเป็นจมาอานี่เป็นที่รักสำหรับฉันยิ่งกว่าการที่ฉันละหมาดทั้งคืนเสียอีกวันั้นพี่น้องช่างน้ำหนักดีๆช่งน้ำหนักดีๆบางทีเราไปเข้าใจว่าการยุก ม, มารมัตหัดยุตเนี่ยคือเข่งสุดๆ ที่เข่งกว่านั้นคือรักษาฟัดดูในเวลาแล้วทําเป็นชมาอันนั้นต่างหากที่เข่งกว่าครับพี่น้องอันนั้นต่างหากที่ดีกว่าและกำลังพูดถึงสิ่งที่ดีกว่านะเราไม่ได้บอกว่าไหนดีอันไหนไม่ดีดีหมดเลยพี่น้องเกียมืเดียดีไหมดีจัสติวตีไหมดีแล้วมัดฟัดดูดีไหมดีแต่เราพูดดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้น พี่น้องท่านใดที่่ายังมีปัญหาเรื่องหมาดฟอสรี่เนี่ยต้องต้องพยายามมาขอดูอาเยอะๆแล้วต้องทํายังไงก็ได้ฉันต้องตื่นให้ได้ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ตื่นนะท่านใดไม่ได้ละหมาดนี่คือต้องรักษาละหมาดเวลาให้ครบก่อนสุนนะพี่น้องยังไม่ต้องไปทุ่มเยอะเอาฟัดดูเนี่ยทุ่มหมดตัวเลยยังไงก็ต้องละหมาดให้ได้ก่อนสําหรับท่านใดที่ยังละหมาดไม่ครบท่านใดที่ละหมาดครบแล้วแต่ไม่ได้ในเวลาต้องรักษาให้ได้ในเวลาโดยเฉพาะละหมาดซุปทํำยังไงก็ได้พี่น้องสื่อเยอะแยะมีนาฬิกาปุกมีเพื่อน ผมเจอกลุ่มหลายๆคนหลายๆกลุ่มผมดูแลแบบอาธรรมเด่แล้วถึงเวลาเ้าโทรปลุกกันโทรเรียกกันกลัวไม่ตื่นอะเธอตื่นหรือยังเนี่ยเข้าเวลาแล้วนะอ่ะฉันตื่นแล้วเราละหมาดกันอาธรรมดยเด่นแล้วอันนี้คือผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายนะถ้าผู้ชายกับผู้หญิงไม่ต้องโทรมาปลุกลมาดนะฟิตรนาจะเกิดกัวว่าเจตนาจะไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวจะจีบไปจีบมาหมเวลาละหมาดซะเปล่านะครับผมเอาบริสุทธิ์ใจเนี่ยผู้หญิงเตือนผู้หญิงผู้ชายเตือนผู้ชาย ดีที่สุดกลุ่มแบบนี้น่ารักครับให้ความสําคัญกับฟัดดูถ้าเราทุ่มโฟกัสกับฟัดดูให้ดีแล้วเดี๋ยว ส, สุนนะมาแน่นอนคุณภาพมาด้วยบางคนอาจจะงงว่าอาจารย์ทำไมใั้ละหมาดสุนนะแต่ฉันรักษาสุนนะไม่ได้บางทีละหมาดบางทีขี้เกียจไม่ได้ละหมาดเป็นเดือนเดือนคำตอบก็คือเพราะฟัดดูยังไม่ดีไงถ้าฟัดดูดีอินนัซาลาต่ตันฮานิฟาชั่มุกิวบักถ้าฟัดดูดีสุนนะจะตามมาแล้วจะดีด้วย ส่วนน่าจะตามมาแล้วก็ดีด้วยเพราะนั่นตอเนี่ยโฟกัสฟาร์ดูเอาให้ดีที่สุดในเวลาอันนี้สำคัญที่สุดนะครับผมอันนี้ความประเสริฐอันแรกแล้วเป็นการเตือนนะครับพี่น้องที่รักนะครับผมอันที่สองพี่น้องท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยิวะสลามได้พูดไว้ในมุขของอิบนุมาจากับอิุุัยมะราให้มวลลลนะครับจากท่านซบินซะอัสซาอิดีรยุลลอฮอันหูซบบอกว่าไงครับท่านอะซุลลัลลัลฮุอะลัยิวะลามบอกว่าบัชชิร المشائين في ا ل านอับดลมบีอมุฮัามมัดสลว์สั่ลลงรรจ้าข่าวว่าให้บอกข่าวดีเลยไปบอกข่าวดีกับเขาเลยบอกกับใครพี่น้องพี่น้องอยากรับข่าวดีไหมท่านบลีมุฮัมมัดสลาสรรวั่วาบอกข่าวดีเลยนะกับใครก็ตามที่เขาเดินในความมืดมิดเพื่อที่จะไปมัสยิด เดินในความมืดมิดก็คือเดินในช่วงเวลามืดมิดก็คือเวลาหมัดซุปละหมัดฟัดแจ้งคาวีกับใครก็ตามที่เขาเดินในความมืดมิดเพื่อไปยังมัสยิดเขายอมเผชิญหน้ากับความมืดเพื่อที่จะไปทำตามคาสั่งใช้ของล็อพวกล็อกก็จะให้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความมืดท่านนบิวว่าเขาจะได้รับนูรครับจะได้รับ ร, รัสมิ พี่น้องอาจจะเคยดีหลายคนอ่ะมุสลิมเราในวันกียร์มาใช่ไหมครับเราทีมีรัศมีโผลมาในสถานที่ที่เราละหมาดในสถานที่ที่เราทําน้องลหมาดก็คือก็เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนแต่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตลานใช้คําว่าแจ้งข่าวดีเลยนะใครก็ตามที่เดินไปละหมาดท่ามกลางความมืดมิดเนี่ยถึงรัศมีที่สมบูรณ์รัศมีที่สมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่อง ไม่มีจุดห่างพ o i n ไม่มีจุดอ่อนมีแต่ความงดงามมีแต่สิ่งที่งามที่ตามมาเราจินตนาการไม่ออกเลย ว, ว่ารัศมีจะเป็นยังไงเพราะเราจินตนาการแล้วไม่ออกว่าโลกหน้าเป็นอย่างไรแต่เราพอจะคิดออกว่าโลกหน้าได้รัศมีแบบสมบูรณ์เลยนะคนที่มีรัศมีอย่างที่เรารู้ครับรัศมีเนี่ยจะเป็นทางนําให้เขาสามารถลอดในอุปสรรคต่างๆสะเป็นสะพานซีรัลจะเป็นซีไหนก็ตามในช่วงของการถูกสอบสวนเนี่ยเขาจะ ผ่านไปได้อย่างง่ายดายเขาจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายเพราะในยักุากรานผู้ล็อก็บอกครับถึงเวลาปุ๊บ ก, กาเฟตผู้ไปศึกษาก็ได้บอกกับผู้ศรัทธาครับเห็นผู้ศรัทธามีรมัศมีพวกเขาไม่มีเขาบอกว่าขอเราไปกับคุณได้ไหมเราจะได้ตามรัศมีของคุณไปซึ่งผสลสไลด์ก็ตามไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้รัศมีที่สมบูรณ์เลยนะครับสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลย จงเดินไปละหมาดมสัสยิดยามเช้าครับถ้าเกิดว่ามันปลอดภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรนะครับผมก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างแต่ว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมมุสลิมเราปกติอยากมีบ้านอยู่ใกล้มสัสยิดเพราะความประเสริฐเยอะแยะไงครับความประเสริฐเยอะแยะมากมายส่วนสําหรับมุสลิมะบอกอาจารย์ฉันจะได้ความประเสริฐนี้ไหมผู้หญิงบททดสอบแตกต่างจากบททดสอบของผู้ชายครับเพราะนั้นสิ่งที่ผู้หญิงพลาดไปพวกลอสทดแทนให้แน่นอนลุกมาละหมาดฟั r s ในเวลาครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ ปลูกมาชมาอาน่ะอินชาอัลลอฮ์ครับรักษาเป็นประจำจะได้ผลบุญเหมือนกับที่ผู้ชายได้คือปกติผู้ชายต้องเหนื่อยกว่าผู้หญิงไงในการทําอะไรหลายๆอย่างถึงจะได้ผลบุญเท่ากับผู้หญิงเพราะนั้นผู้หญิงมุสลิมะไม่ต้องน้อยใจครับพวกอัลลอฮ์เมตตาพวกอัล์รักพวกเราทุกคนถ้าใครพี่น้องนิดนึงครับพี่วันนีสลามาอัลกุลสลามอัลตุลลอฮฺอัลเบลกาตุ้นครับคุณเดนนอนนะครับอาลามดีแล้วมาก็อาลามดีแล้วครับคุณชว์ลิทครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับผมจซาคุมุลลอห์คุยรันแล้วก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านถ้าผมไม่เห็นข้อความป่องเฟนใด น, นะครับผมเรื่องของการละหมาดฟ้าในความประเสริฐยังมีอีกมากมายเลยครับพี่น้องมีความประเสริฐอีกมากมายเลยในเรื่องของอิ น, นุมาจักท่านอับดเบาะบอกว่าไงครับมัน ส, ล, ล, สลัดซุบฮะฟีจามะอัตินฟะฮูอะฟีซิมะตินลายต่าละใครก็ตามที่ละหมาดซุบเป็นจมามะอัเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้การปกปกักรักษาคุ้มครองจากพู้รัสซุบฮะนูวัตตา การคุ้มครองของผู้รอดพี่น้องคิดดูรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาทั้งในดุนยากับไอเครออยากได้กันไหมแล้วผู้ใดก็ตามครับที่เขารักษาละหมาดฟอเชอรี่มันคือสั ญ, ญลักษณ์ว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์นแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของผู้รอดใครที่รักษาการละหมาดฟอเชอรี่ในเวลาได้ถ้าเขาทําได้แปลว่าเวลาอื่นเขาทําได้แน่นอนมันคือหนึ่งในสัญญาณว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ ซึ่งท like so so ่านนบีมุฮัมมัดสัมดกล่าวไว้ในพคัร์บริการมุสลิมครับจากท่านอาบูมูซาลอชรีรยาลลอันฮูท่านนบีได้กล่าวไว้ว่ามันซัลลอัลบดนี่เดอคอร์นนะใครก็ตามที่เขาละหมาดบัรไดนเขาจะได้เข้าสวรรค์ซึ่งนักวิชาการครับอธิบายบัตไดนี่ก็คือการละหมาดซุปกับการละหมาดอัสลีใครก็ตามรักษาการละหมาดสองเวลานี้ในเวลาของมันได้ ท่านอาบีบอกว่าเขาจะได้เข้าสวสรรค์ละหมาดซุปกับละหมาดอสัสทาไมถึงไปละหมาดอสัสพี่น้องน่าจะเข้าใจดีเวลาอสัสดีนะครับเป็นเวลาที่มันเหมือนกับมันจะนานแต่มันก็ไม่นานมันเป็นเวลาที่มันเหมือนกับอะไรก็รู้ประเด็ประเด็นเข้ามาแล้วอยู่ๆก็หมดเวลาไปถูกไหมครับถ้าเราสังเกตอะบางทีเลิกงานบางทีเร่ลิกเรียนบางทียังอยู่บนท้องถนนบางทีไปนั่นบางทีไป น, น, ไปนี่รู้สึกตัวไอทีอามากกะริบแล้ว พี่น้องบางท่านก็พลาดบ่อยคือไม่ทีปุ๊บไม่ทันละหมาดอัสลีในเวลามันเข้ามักลิบเรียบร้อยแล้วทั้งๆ ท, ที่ก็อยากละหมาดเพราะนั้นท่านอาบีจะบอกว่าสองเวลาเนี่ยใครก็ตามรักษามันได้อย่างแท้จริงมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์มันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์อยากได้หลักประกันว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์ไหมรักษาสองเวลานี้ให้ดีๆ ถาว่าเวลาอื่นไม่ต้องรักษาเลยต้องรักษาแหละเพียง <P ew en> แต่สองเวลาเนี่ยโอกาสพลาดมันสูงไงโอกาสพลาดสูงเวลาอื่นโอกาสพลาดเนี่ยจะน้อยกว่าช่วงบ่ายปกติทําได้ครับจะทํางานอยู่ในโรงเรียนอะไรโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาก็อนุรุมในเรื่องการละหมาดแล้วช่วงบ่ายเนี่ยไม่ค่อยยากมักคริปเนี่ยยิ่งไม่ยากเรีสรถึงบ้านแล้วถึงที่พักแล้วหรืออยู่ในสถานที่ที่ละหมาดได้ส่วนอิชาคือก่อนนอนใครจะละหมาดอิชาไม่ได้มั่งในเวลาถูกไหมครับยังไงก็ก่อนนอนยังไงเราก็ต้องนอน เพราะฉะ้นเวลาที่จะมีปัญหาที่สุดคือที่ต้องฝื้นตื่นแม่หรือในช่วงที่มันเหมือนเป็นช่วงพักมันเสร็จจากวันะช่วงอาซาตสองเวลาก็เป็นสองเวลาที่ค่อนข้างจะมีปัญหากับมุสลิมทุกคนใช้คำว่ามุสลิมทุกคนเลยใช้เขามีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะรักษาไม่ได้ครับพี่น้องทีนี้ครับเมื่อการละหมาดฟัดเป็นหลักประกันในเรื่องของการได้เข้าสวนแน่นอนแน่นอนครับในผู้ที่รักษาการละหมาด ฟัชเนี่ยใช่เดียวกับหลักอัสลีเนี่ยก็เป็นหลักประกันว่าเขารอดจากนรกแน่นอนเพราะบางคนอาจจะบอกอาจารย์หลักประกันว่าเข้าสวรรค์แต่ฉันก็มีโอกาสลงนรกไม่ใช่เหรอถูกไหมครับมุสลิมบางท่านกว่าจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยอาจจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกก่อนอุสุบิไลมินตาลี่เขาล็อกคุ้มของพวกเราแต่นั่นเพื่อใครมามุสลิมครับท่านลบีกล่าวไว้ครับว่าไลยาริจันนารออาฮาดุนสัลลักอบละตูรุอิชชัมสว่ากอบละกูรูบิฮา ก็ตามที่เขาละหมาดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกเขาไม่มีทางจะได้เขา้เขาเนรกเขาไม่มีทางที่จะได้ลงนรกก่อนดวงที่ขึ้นกับก่อนดวงอาทิตย์ตกก็คือละหมาดสเวลาที่บอกกันเต้น์ละหมาดฟัสกับละหมาดอัลอฮ์หลักประกันเลยแปลว่าไงครับตอนนี้พี่น้องได้หลักประกันแล้วนะถ้าพี่น้องสามารถรักษาได้โดยเพาะให้ความสําคัญกับสองเวลาเนี่ยให้ได้ในเวลา ให้ได้จะมาอะหลักประกันเลยว่าได้เข้าสวรแน่นอนโดยที่ไม่ต้องลงนรกก่อนอินชาอัลลอฮ์ได้ความเมตตาของผู้รับสุบานวาตาลาเพราะผูพพ้เทให้ความสําคัญกับเรื่องการละหมาดในเวลาอย่างแท้จริงเช่คเขาว่าอย่างแท้จริงเขาจะกลัวร้อนแน่นอนเขาจะตักว่าเขาจะไม่กล้าไปซอเลมคนอื่นเขาไปทําผิดกับคนอื่นเขาต้องรีบขอโทษมันเป็นความดีที่จะตามมาโดยอัตโนมัติมันเป็นความดีที่ตามมาโดยอัตโนมัติแต่ใครก็ตามที่ไม่ได้ความสําคัญครับ โดยอัตโนมัติก็คือเขาก็ไม่สนใจเรื่องสิทธิทของผู้อื่นเขาก็ไม่สนใจที่จะไปทําสิ่งที่ฮารอมอะไรออกอะไรหลอกครับผมก็พวกเราอารลำครับทีนี้ครับละหมาดยามเช้าเนี่ยเป็นละหมาดที่ได้รับการเป็นสักขีพยานอย่างที่เรารู้ที่มระรกาว่าบอกุรานในฟาซิอินาคุรานในฟาซิการ์มาชฮูเดะและเช่นเดียว ก, กันกับการอ่านกุรานในยามรุ่งอรุณเพราะกุรานในยามรุ่งอรุณนั้นจะได้รับการเป็นสักขีพยานจากบรรดาคนดีๆพี่น้องเราทําดีแล้วมี คนดีๆมาเป็นสักขีพยานให้กับเราอพี่น้องมาลายกามาเป็นสักขีพยานว่าบ่าวคนนี้ได้ลุกมาละหมาดฟัสเชรี่ในยามเช้าเขาได้อ่านกุลาในยามเช้าตอนละหมาดเราอ่านกุลานถูกไหมครับเราอ่านฟาติฮะเราอ่านซูระไปนักกุลาในฟัสทาได้ทุกคนที่ลุกมาละหมาดฟัสซึ่งมาลายกาก็จะมาเป็นสักขีพยานให้กับพวกเราซึ่งอย่างที่พวกเราทราบครับมาลายกาก็จะมารวมกันใช่ไหมครับจะมาเจอกันมาลายกายามเช้ากับมาลายกาที่ทําหน้าที่ในยาม กลางคืนเนี่ยก็จะมาเจอกันในช่วงเช้ากับช่วงก่อนที่จะกลางคืนซึ่งแต่ละคนก็จะมาพูดถึงการงานต่างๆของบ่าวแล้วก็เอาการงานไปหาโพลล์ซุปฮานุวาตาล่าตอนที่เขาไปหาโพลล์ถ้าเราละหมาดซุปเขาก็บอกงานสุดท้ายที่เขาทําคือละหมาดซุปถ้าช่วงจะสิ้นวันถ้าเขาขึ้นไปหาโพลล์ก็บอกงานสุดท้ายของเขาคือละหมาดอสสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งท้ายคือการรับละหมาดได้ไปรับการรายงานต่อโพลล์พี่น้องจะมีอะไรงดงาม ยิ่งกว่านี้ครับผมแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องนี่เป็นประเด็นสําคัญนี่ประเด็นสําคัญซัลลาฮีมูฮัมมัดสลอมบอกว่าละหมาดที่ยากที่สุดสําหรับมูนาฟิกคนกลับกอกพี่น้องคือละหมาดซุบกับละหมาดอิชาละหมาดฟสัสกับละหมาดอิชายากที่สุดสำหรับมูนาฟิก พี่น้องบางคนอยากจะบอกเอาอาจารย์เหนียวละหมาดอัสยาละหมาดอัสลี่ยากสําหรับทุกคนจะมูนาฟิกจะไม่ใช่มูนาฟิกยากสาหรับทุกคนแต่สําหรับมูนาฟิกเลยเนี่ยสเวลาจะยากมากอิชาคือมันไม่มีใครเห็นแล้วไงมันจะหลับแล้วเนียนๆหลับไปเลดีกว่าหรือฟัชดี้มันขี้เกียจตื่นเพราะปกติละหมาดอวดให้คนอื่นเห็นไอการอวดบางทีมันก็ขี้เกียจได้เพราะนั้นท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลยตานบอกว่าไงครับละหมาดที่หนักที่สุดสําหรับผู้กับกอกสำหรับมูนาฟิกสำหรับคนที่ลักเกียรติที่สุดเนี่ย ละหมาดที่หนักที่สุดสําหรับคนกลุ่มนั้นเนะ่ยก็คือละหมาดอีชากับละหมาดฟัดแล้วหากเขารู้ว่ามันมีอะไรในละหมาดสองเวลาเนี่ยต่อให้ต้องคานมาละหมาดพวกเขาก็จะคานมาละหมาดในเรื่องอยมาบุคคลีมาบุคคลีซุพานเอาล่ะพี่น้องความประเสริฐ จ, จะขนาดไหนคิดไม่ออกจินตนาการไม่ออกแต่ถึงขั้นเจ้านบีใช้คําว่าถ้าเรารู้ว่าดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเราต้องคานเราก็จะคาด น, นะพี่น้อง ปกติถ้าถึงขั้นคารเราคงละหมาดบนเตียงใช่ไหมครับแล้ว เ, เราอาจจะนอนไปเลยแต่ละ บ, บีบอกว่าถ้าคุณรู้ว่ามันประเสริฐขนาดไหนเนี่ยต่อให้ต้องคารพวกคุณก็จะต้องคารแล้วก็พี่น้องที่รักครับใครก็ตามที่เขาไม่ได้ละหมาดฟัชเชอรี่เขามีโอกาสที่จะโดนชายตอนล่อลวงมีโอกาสที่เกิดความเกลียดคานมีโอกาสที่จะเจอสยายสะ ทำไมครับจากท่านเบวชรอครับยา ก, กิุสชัยต า, ย า, ยานาุ على قافية الراسي أحدكم إذا هو نائم سلا سوقات ตอนพวกเรานอนเนี่ยนะพี่น้องชัยตอนมันจะมาผูกปมไว้ที่ต้นคอของเรา3ปมปมยังไงว่าเราอาล่ามแต่นี่คืออินมอนเรบเรื่องลึกลับท่านรบีบอกเราก็เชื่อเพราะอยู่ในเรื่องขมงอุคครีด้วยชัยตอนจะมาผูกเงื่อนไว้3เงื่อนน่ะพี่น้อง เมื่อพูดถึงเงื่อนเนะี่ยพี่น้องคิดถึงยะกุานาร์ไม่ละว่ามีชา ร, ร, ร, ร, รินนาเฟราติฟินอุกัที่เราขอความคงใจแล้ววายาแลว้วขอให้เราคุ้มครองจากพวกที่ชอบเสกเป่าปมเงื่อนตอนที่มันเสกเป่าบางทีเราคิดว่าปมเงื่อนนี้เฉพาะคนเล่นเสีศาสตร์ไม่ใช่พี่น้องรวมถึงชัยตอนที่มันทํากับเราทุกวันด้วยชัยตอนทํากับเราทุกคืนนะพี่น้องทุกคืนที่พี่น้องหลับทุกคืนที่ผมหลับเนี่ยพี่น้องชัยตอนมันมาเล่นของกับเราแล้วเล่นเสีศาสตร์กับเราคือผูกปมให้เราสามปมแล้วมันจะบอกว่าไง มันจะบอกว่าหลับให้สบายแหมเหมือนจะเป็นห่วงนะเหมือนเชยตอนมันรักเราพี่น้องไม่ได้ลักพี่น้องหลับให้สบายคือไม่ต้องลุกมาตะฮัดยุทธไม่ต้องลุกมากียามุลเลนไม่ต้องลุกไปทําอามัณอิบารัดีๆไม่ต้องลุกมามละห ม, มาดฟาเซดีแพร่เมือก็เลยอยากให้เราหลับให้สบายนะบางคนก็บอกมุ้ยเชยตอนดีจังเลยเป็นห่วงเราด้วยไม่พี่น้องอาบยาพิษทั้งหมดแหละครับที่เชยตอนทําครับเพราะฉะนั้นครับเนื้อสามเนื้เนี่ยท่านอับดุมรรโโฮัมมัดสุลลัลฮุยเซอร์บอกว่าไงครับ ท่านเบีบอกว่าหากใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาแล้วเขาคิดถึง AH, อัลลอฮ์เงแรกจะหายไปมุสลิมตื่นมาสุนนะว่าไงอัลฮัมดูลิลลาฮิลาลิอาห์ยานะบะดามะอามาตนาบริหชูจูดคิดถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้ตื่นมาใครคิดถึงอัลลอฮ์ปมแรกจะหายไปปมแรกจะหลุดไปใครก็ตามทําน้ําละหมาดปมที่สองก็จะหลุดไปแล้วก็ใครก็ตามที่เขาละหมาดปมที่สามก็จะหลุดไปแล้ว จิตใจของเขาก็จะกลับมาอิมัลอะไรของเขาก็จะกลับมาดังเดิมแต่ถ้าไม่ทําเช่นนั้นแล้วจิตใจก็จะมีแต่ความชั่วร้ายที่มันรอที่จะถาโถมเข้ามาอ่าพี่น้องตรสอบเองนะสามปมยังอยู่หรือเปล่าบางคนบอกอาจารย์ตอนนี้จัดเที่ยงแล้วเนี่ยปมฉันอยู่โครบเลยสามปมทํำยังไงดีอ่ะพี่น้องก็แก้ปมด้วยคิดถึงผู้อัลลอฮ์ทำน้ํำละหมาดละหมาดซุบับพี่น้องอันนี้ก็จะ ปมที่มีบางทีความคิดฟุง้งซ่านความคิดชั่วร้ายอาจจะเกิดมาจากปมเหล่านี้ก็ได้ว่าเราไอ้ลำว่าเราไอ้ลำพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงความประเสริฐของละหมาดซุปฟัดดูซุปถ้าพี่น้องอยากจะจินตนาการออกว่าละหมาดฟัดดูซุปเนี่ยประเสริฐขนาดไหนละหมาดฟัดเนี่ยประเสริฐขนาดไหนเราดูแค่ละหมาดสุนนักก่อนอย่างที่เรารู้ครับสุนนะ ก่อนละหมาตฟัจรี่ล้วจะมีสุนนะสองรักะที่ท่านลบีมูฮัมมัดสละสัมไม่เคยทิ้งเลยถูกไหมครับผมม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าอยู่กับที่เราคุยแค่สุนนะก่อนเรารู้ว่าฟาดูประเสริฐกว่าสุนนะถูกไหมครับละหมาตฟาดูประเสริฐกว่าสุนนะในวิคอยมัมมุสลิมครับที่อย่างไอแช บ, บอกว่าท่านบีมฮัมหมัดสลลลอฮอวสลมบอกว่าละหมาตสุนนะสองรกะก่อนฟาชเชรี่เนี่ยดีกว่าดุนยาทั้งหมดแล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ในดุนยาซุบานอัล สุภานาวะในดุนยามีทั้งของไม่ดีแล้วก็มีทั้งของที่ดีมากมายมหาศาลถูกไหมครับพี่น้อง่าลบีใช้คำว่าถ้าใครได้ละหมาดสุนนะสองรักก่อนเฟอร์เจรี่เนี่ยมันดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาอันนี้คือแค่ละหมาดสุนนะแล้วเราคิดดูแล้วละหมาดเฟอร์ดูผ ล, ลบุญจะมหาศาลขนาดไหนฟรดูประเสริฐกว่าสุนนะอยู่แล้วพี่น้อง ฟัดดูยังไงก็ประเสริฐกว่าอยู่แล้วซึ่งในเรื่องของของซิมเช่นกันเยียนเดียวกันครับท่านอับดุลโมฮัมหมัดสันนบละหมาสุนัษสองรักาเนี่ยเป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุญยาท่านบดบอกท่านอบีรักของหอมใช่ครับท่านบดมชอบเรื่องของผู้หญิงเรื่องของความรักใรเรื่องของความเมตตาเรื่องของความอ่อนโยนที่ท่านอบีมีให้แต่ในขณะเดียวกันครับท่านอับดุบางทีท่านเจอกว่าอะไรก็ตามที่ท้กิญญานามสุน แต่ท่านนบีบอกทุกอย่างที่ทําให้ท่านนบีมีความสุขในดุ n y าเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับการที่ท่านได้ละหมาดสุนนะสองรอกก์ก์ก่อนที่จะละหมาดฟัดดูฟัจารีอูผลบุญมหาศาลขนาดไหนพี่น้องคิดไม่ออกคิดไม่ออกผมจินตนาการไม่ออกรู้แต่ว่าฟัดดูขนาดอ่าสุนนะขนาดนี้นี่ฟัดดูไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องพูดกันเลยมันต้องมหาศารมากมากเลยความประเสริฐ ข, ของสุนนะไม่ได้มีแค่นี้นะพี่น้องสองรักก์ก่อนฟัดดูก่อนฟัจารีเนี่ย ดูด้วยควมตบรอนีเนี่ยท่านอบีบอกว่ามันตะวัดดาซุมอาตันมัสยิดฟัสลาโรกายไตรกอบหลัฟัสใครก็ตามทำนัหมาดที่บ้านแล้ว เ, เขาได้มาที่มัสยิดสุนนะมุสลิมเราทำนหมาดตั้งแต่ที่บ้านนะไม่ต้องไปรอที่มัสยิดทำตั้งแต่ที่บ้านดีที่สุดประเสริฐที่สุดท่านอบบีบอกใครทำนัหมาดที่บ้านแล้วเขามาที่มัสยิดมาละหมาดสุนนะรกาก่อนละหมาดฟัชชรี แล้วเขาก็นั่งรอละหมาดฟาเจรี่เขาจะได้ผลและบุญในวันนั้นว่าเป็นการละหมาดของคนดีสราตุลอับรอสแล้วเขาจะถูกบันทึกว่าอยู่ในกลุ่มชนของอัลลอฮ์มานพี่น้องจำได้ไมนะครับสุระวอิบาดุรอัลลอ์มานุลลาดีจชูน่าละอัาวเนะเวลาข้อตัวมุญชาฮูลกาลุสซาลามะอิลากลีลลัยละอิลาอัลลยยะ ที่พวกเราอธิบายถึงคุณลักษณะของบ่าวของอระรอฮมานที่เอาล้อรักมากๆเนะี่ยคุณลักษณะดีงามมากมายเลยบางทีบางคนบอกอาจารย์ฉันอยากจะเป็นกลุ่มนี้ที่เอาล้อรักมากๆเนี่ยท่านอบดบอกขอแค่ลุกมาทําน้หมาดที่บ้านไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดสุนัตสองรากาที่มัสยิดแล้วก็รอละหมาดฟัจชีรี่แล้วก็ละหมาดฟัชชีกับอิห ม, ม่ามขอให้ทําอย่างเนี้ยเราในวันนั้นถือว่าเราอยู่ในกลุ่มของอิบาดุราะห์มานเรียบร้อยแล้ว แล้วละหมาดของเราเป็นศาลาตุลอาบบารัดละหมาดของคนดีละหมาดของคนดีคือละหมาดของบุคคลที่อัลลอฮ์รับไงพี่น้องหลายครั้งเราไม่รู้เนี่ยเราละหมาดก็ดูแปลอัลลอฮ์รับไหมเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมที่ฉันทําี้อัลลอฮรับไหมที่ฉําอย่างนี้ฟัดูนั้นอัลลอฮ์จะอาจจะไม่รับฟัดดูนี้อัลลอฮ์จะอาจจะไม่รับแต่ท่านอวีมุสลาสลามบอกหลักประกันไว้เลยถ้าคุณลุกมานะทำนั่งละหมาดตั้งแต่บ้านนะแล้วคุณไปที่มัสยิดนะไปละหมาดสุนนะหรสองรากานะ นั่นเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์รับแน่นอนนั่นเป็นละหมาดที่อัลลอฮ์รับแน่นอนเราได้หลักประกันเน่ะพี่น้องที่เหลือก็ระวังเรื่องโอ้วัวที่เหลือก็ไประวังเรื่องของการทําอย่างอื่นที่มันไม่ดีไม่งามครับผมพี่น้องครับการละหมาดฟาซิดีเนี่ยเป็นคําสั่งเสียจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับผมเป็นคําสั่งเสียจากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมใช้คาว่าคําสั่งเสียเลยเพราะอะไรครับ ท่านอบูดัดดาเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านได้บอกไว้นี่คือคำสั่งเสียของท่านอบูดัดาที่ท่านบอกว่าท่านอบีได้สั่งเสียท่านแล้วก็ซาบะทุกคนท่านบีสั่งเสียว่าไงครับมนิสตาตอามิงุมอายะฮ์ฮซลาตัยนอัลไอชาอับวะลาฮับวนฟัลยฟอั ถ้าอบูดะกะก่อนจะเสียชีวิตสุภาเนาะคนดีนี่ก่อนตายเขาไม่ได้มาบอกว่าสมบัตินี้แบ่งให้คนนั้นสมบัตินั้นแบ่งให้คนนี้หรือว่าฉันยังไม่อยากตายจะหมอช่วยรักษาฉันด้วยหรือว่าเขาไม่ได้ตีโพธตีพายไม่ได้พูดเรื่องดุลยาก่อนจะเสียชีวิตเขาบอกว่าไง <c oughs> อะบูดะกะก่อนท่านจะเสียชีวิตท่านบอกว่าฉันได้ยินนบีบอกว่าใครก็ตามในหมู่ของพวกท่านสามารถที่จะไปร่วมละหมาดสองเวลานี้ได้เขาจงไปซะมันคือละหมาดอิชากับละหมาดซุปต่อให้ต้องคาร ก็ต้องไปเถิดเขาก็จงไปเถิดแต่ว่าผลบุญมหาศาลมากมายมากมายมหาศาลครับผมเราต้องมานั่งทบทวนตัวเองครับพี่น้องเราต้องมานั่งทบทวนตัวเองจริงๆนะทุกคนเลยนะทั้งตัวผมทั้งพี่น้องทุกท่านเลยนะหลายครั้งที่เราอ้างว่าเราเป็นสาระลหลายครั้งที่เราอ้างว่าเราเป็นอรุณะนะบัญมาอะหลายครั้งที่เราด่าทอคนที่เห็นต่างกับเรา <c oughs> หลายครั้งที่เราเอาดีใส่ตัวถามว่าเราให้ความสําคัญกับการละหมาดฟัดดูต่างที่ควรจะเป็นหรือยัง ถ้าอย่างพี่น้องอย่ามาอ้างว่าเป็นสาลับอย่าอ้างมันเป็นเพียงข้ออ้างเพราะฟัดดูจริงๆเราไม่ให้ความสําคัญแต่เราให้ความสำคัญกับการถกเถียงในสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเราไม่ใช่ผู้รู้เราไม่มีสิทธิไปถกเถียงในเรื่องศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องลึกๆที่มันเกินสติปัญญาความสามารถของเรามันจะมีแต่บาปตามมาพี่น้องอันเนี้ยสาลับจริงๆเลย คนที่รักษาสุนทราจริงๆเลยคนที่รักตะ บ, บีจริงๆเลยเขาต้องทําแบบนี้เป็นอันดับแรกๆใครยังทําไม่ได้ตรวจสอบตัวเองครับตรวจสอบตัวเองผมดูเสียตัวผมแล้วก็ดูเสียพี่น้องที่ผมรักทุกท่านเพราะเรานั้นเป็นพี่น้องแล้วเรานั้นก็อยากจะดีไปด้วยกันเราอยากจะเข้าสว่วนไปด้วยกันผมไม่ได้เหนือกว่าใครแต่ว่าผมรักพี่น้องของผมแล้วผมก็อยากให้พี่น้องผมได้ในสิ่งที่ผมอยากได้ให้กับตัวเองครับวันหล่อหุ่นจ่าละอาล์ลำครับผมคุณสารสอนนะครับขอเลาาแต่เพียงความดี ทุกท่านมาก็เช่นเดียวกันครับจะจากูมุลรอหูคอยเราครับผมท่านใดที่สลามมาผมไม่เห็นข้อความขอมาออีกครั้งหนึ่งนะครับผมบางอับดุลสลามมานะครับจากพัทลุงวารกุลสลามอตุลลอห์บะเบรากาตูลแล้วก็น่าจะมีพี่น้องท่านอื่นด้วยแหละที่ผมไม่เห็นก็ขอมาอัพด้วยครับผมพี่น้องครับที่คุยกันเนี่ยเราให้ความสําคัญกับฟัดดูให้มากโดยเฉพาะละหมาดในเวลาโดยเฉพาะละหมาดฟัดเชอรี่ตั้งแต่นี้ทํากันให้ได้ครับย้ําอีกครั้งหนึง่งใครละหมาดยังไม่ครบ วาญิบจำเป็นคุณต้องละหมาดให้ครบใครยังละหมาดในเวลาไม่ได้วาญิบจำเป็นพวกเราต้องละหมาดในเวลาให้ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าละหมาดครบแล้วละหมาดในเวลาแล้วรักษาให้เป็นละหมาดในช้มาอะแล้วสำหรับมุสลิมินถ้าไปมั ส, สยิดได้ให้ไปที่มั ส, สยิดเพอนั่นแหละคือสถานที่ที่มุสลิมินควรจะไปละหมาดครับผม ขออวยจากพระองค์ลสุบฮานาหูวาจาลานะครับให้เราเห็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องให้เรารักสิ่งที่ถูกต้องขออวยจากพระองค์ลสุบฮาตราย์ให้เราเห็นสิ่งที่ผิดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันได้ขอให้เรานั้นมีความหนักแน่นมั่นคงในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ขอให้เรานั้นรักการงานใดก็ตามที่พระองค์รักขอให้เรารักปุ่มชนใดก็ตามที่พระองค์รักขอให้เราได้รักพระองค์แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่ถูกพระองค์นั้นรักทั้งดุนยาแล้วก็อาคระ ยอวล้อพวกนั้นเป็นผู้ที่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของพวกเราเป็นผู้สร้างพวกนั้นไม่มีบุตรโพวกนั้นไม่มีบิดาไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์โพวนั้นเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอยาเอาล้อปวดให้เรามีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมโปวดให้เราเสียชีวิตในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งผิดที่เราทำยาวล้อปวดช่วยให้ไปยกโทษให้กับพวกเราเถิดแล้วสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆที่เราทำไปยาวล้ออย่าให้มันนั้นสูญหายไป อย่าให้มันสูญหายไปด้วยกับพฤติกรรมของเราที่เราทำผิดขอตอบรับการงานที่พวกเราทำเพื่อพวงมาลสุภานุวัตตาด้วยเถิดขอให้รักเราขอให้เมตตาพวกเราขอให้เรามีชัยเหนือบรรดาผู้ที่เป็นศัตรูต่อพงด้วยเถิดครับอาเมนคุณทนายสลามานะครับวันคุณสลาอมาตล้อ ว, ว่าบรารกาตูครับตอนนี้ครับท่านใดยังไม่ทันได้อ่านกาฟีนะครับยังพอมีเวลาอยู่น่าจะอ่านทันอยู่นะครับก็อ่านนะครับท่านใดเตรียมไปละหมาดก็ไปละหมาดท่านใดละหมาดแล้วอะไรทำดีละครับผม ทำเกลีให้มา ก, มากๆเลยเพราะบันสุขวันที่เป็นนายของสัปดาห์วันที่กู้ล้อรักครับผมทำให้ตัวเองดูดีทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ทำในสิ่งที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่เสียใจที่หลังในวันเกีย ม, มาครับอะกูดูเกาลีฮาดาวัสัปดาหลาฮาีบัละุมบริษัทอมุสลีมีนามนุิัูอินักฟูอราฮิมุบฮานิกลอยฮมดิะอัดวลลาลาัอลสักววะลาลุมรุลลอฮวบรกุ